ภาว น, นาใจจะมีที่อาศัยใจจะมีที่ยึดใจจะมีเรือนของใจเป็นที่อาศัยใจย่อมมีความร่มเย็นเพราะมีที่พึ่งที่ยึดที่เกาะฉะนั้นการสร้างที่พึ่งสําหรับใจจริงไป็นจริงจําเป็นมากอย่างน้อยก็ให้เสมอกันกับสิ่งภายนอกที่กายต้องอาศัย มากกว่า น, นั้นก็เป็นไปตามวัยยิ่งวัยแก่เข้ามามากเพียงไรก็ยิ่งจะสะแสวงหาที่พึ่งทางจิตใจให้มีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นใจเมื่อได้รับการอบรมโดยสม่สำเสมอย่อมจะมีความเจริญมีความผาสุกร่มเย็นมีความผ่องใสมีความสงบเย็นเป็นที่แน่ใจแต่ตนเองขึ้นโดยลําดับจนกระทั่งแน่ใจจริงๆ ่งภายนอกอะไรจะได้จะเสียไปไม่สําคัญเมื่อจิจมีทียึดมีหลักเกิฑภายในตัวแล้วเพราะทียิดของใจกับที่ยึดของกายนั้นต่างกันอาหารของกายกับอาหารของใจต่างกันกายเป็นรูปอาหารก็ต้องอาศัยสิ่งที่เป็นรูปด้วยกันเช่นข้าวน้าอาหารประเภทต่างๆเหล่านี้เป็น อาหารของกายอาหารของใจจะได้แก่อารมณ์อารมณ์ที่เป็นพิษนั้นเป็นสิ่งที่เป็นภัยต่อใใจิตใจประกอบระมัดระวังอย่าให้จิตชิดไปในทางที่ไม่ดีซึ่งจะเกิดความทุกร้อนแก่ตนเองพยายามต่อแสวงหาอาหารคืออารมณ์อันดีแก่ใใจิตใจเป็นศีลธรรมมีทอนามีคาว่าพุโทโธพุโทโธเป็นต้น ให้ เ, เป็นที่ยึดที่เหนี่ยวของใจใจเมื่อได้มีทำเป็นหลักยึดแล้วย่อมมีความล่มเย็ดมีชื่อว่าใจมีอาหารใจมีอาหารใจก็มีความอิ่มพอกับอาหารคือทำนั้นๆย่อมไม่สายแสบร้อนวุ่นวายก่อควรตัวเองให้เกิดความทุกข์ความลําบากเหมือนดังที่เหมือนดังที่เคยเป็นมา ฉะนั้นการฝึกฝนอบรมจิตใจจึงเป็นสิ่งจําเป็นมากด้วยกันทุกคนถ้าเราหวังผลหวังประโยชน์หวังความสุขความเจริญสมกับเรามีความรับผิดชอบตนเองแล้วการอบรมจิตใจด้วยศีลด้วยธรรมนี้เป็นความจําเป็นอย่างยิ่งโดยทั่วกไปสมกับศาสนาที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ให้แก่สัตว์โลกโดยไม่เลือกหน้าไม่เลือกชาติชั้นวรรณะเพราะสัตว์โลกจะเป็นชาติชั้นวรรณะใดก็ตาม ก็ย่อมเป็นผู้มีกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นเครื่องกอบกวนทำลายจิตใจให้รับความเดือดร้อนขุ่นมัวอยู่เสมอยิงต้องอาศัยทำเป็นเครื่องชั้นล้างให้มีความสะอาดบ้างในเป็นบางการบางเวลาจิตใจมีความสะอาดจิตใจย่อมเป็นสุขเมื่อมันสะอาดแล้วมันก็ผ่องใสถ้ามีแต่โมลทินด้วยอารมณ์ต่างๆมาคาเขาอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็หาจิตไม่เจอมีแต่ความรุ่มร้อน ร่วลงอยู่ภายในจิตใจวันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปผ่านไปก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรหาคุณค่าหาราคาไม่ได้ถ้าจิตไม่มีคุณค่ามีราคาภายในตัวด้วยการอบรมเสียอย่างเดียวฉะนั้นเราควรจะได้รับการอบรมใจไม่ตายร่างกายแม้จะเฒ่าแก่ชราค่ำค่าหรือแตกสลายลงไปโลกสมมติว่าตาย แต่จิตใจนี้ไม่ได้ตายเหมือนอย่างนั้นไม่ได้แก่ชราค้ามข้ามเหมือนอย่างร่างกายเป็นสภาพที่รู้คงทีคงเส้นคงวาอยู่ตลอดมาตั้งกับตั้งกันมาแล้วและยังจะเป็นไปอีกแบบนี้ตั้งกับตั้งกันเป็นแต่เพียงว่าความเปลี่ยนแปลงยากย้ายต่างๆของจิตที่จะไปสู่พบน้อยพบใหญ่นั้นเป็นแต่ตามนาทแห่งวิบากกรรมที่ตนได้สร้างไว้แล้วอย่างใดก็ต้องหมุนเวียนไปตามวิบากกรรมที่ตนทําไว้แล้วนั้น ยิงมีความสุขความทุกข์มีพบน้อยพบใหญ่เป็นจัดเป็นบุคคลต่างๆไม่มีสิ้นสุดเพราะอำนาจแห่งกรรมที่คนทําไว้แล้วไม่มีสิ้นสุดแต่ที่จะให้จิต ม, มีความชิพหายไปหรือว่าตายไปเหมือนอย่างสกุล น, นัการนี้มันเป็นไปไม่ได้ร่างกายที่เราพูดตามความจริงแล้วก็ไม่ตายส่วนผสมที่รวมตัวกัน ในสกล ก, กายของเรานี้ก็มีธาตุดินธาตุน้าาาําธาตุลมธาตุไฟมาผสมเข้าแล้วมีจิตเป็นตัวการมีจิตเป็นผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบภายในร่างกายที่เป็นส่วนผสมนี้อันนี้เมื่อเวลาสลายตัวออกจากส่วนผสมนี้แล้วก็กลายลงไปเป็นธาตุเดิมของตนส่วนดินก็ลงไปเป็นดินส่วนน้ําเป็นน้ําส่วนลมเป็นลม ส, ส่วนไฟเป็นไฟไม่ตายแต่หายเหมือนกัน ถิงที่เราว่าตายก็คือหมายความว่าก็หมายถึงความสลายจากความผสมความเป็นกลุ่มเป็นก้อนนั่นแหละและไม่มีจิตใจคลองเขาเรียกว่าตายความจริงแล้วไม่มีอะไรตายโลกสมมุติกันอย่างนั้นแล้วความกลัวตายให้กลัวมากแต่ความเกิดไม่กลัวอยากเกิดทั้งนั้น ความกล้าหาญต่อความเกิดแต่ไปกลับกลัวต่อความตายมันก็ไม่เข้ารูปเข้ารอยกันไม่ตรงกับเหตุกับผลความกล้าหาญต่อความเกิดความอยากเกิดกับความอยากตายมันมันไปในสายเดียวกันเมื่อยังมีการเกิดหยุดตราบใดเรื่องตายก็ต้องมีเป็นคู่เคียงกันไปนั้นทา่านจึงจัดไว้ในธรรมพุทธเจ้าท่านจัดว่าทุกครั้งนัดถิ่อาชาตัดตัดสั ทุกจะไม่มีแต่ผู้ไม่เกิดนะเพราะว่ามีเรือนมีหลังไม่มีสถานที่เกาะที่อยู่ที่อาศัยของทุกเช่นรูปร่างกลางตัวไม่มีทุกจะมาเกาะมาอาศัยที่ไหนทุกก็มีแต่ผู้ไม่เกิดเป็นรูปเป็นร่างภนะายในจิตใจก็ชำระออกหมดเชื่อที่จะให้เกิดอีกไม่มีเลยท่านพุทนันกคบริสุทธ์ดังพระพุทธเจ้าที่หวปรินิพานปรินิพาน นิสาวกทั้งหลายท่นานนิพพานคือท่านผ่านไปด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้ผ่านไปด้วยความมีกิเลสเหมือนอย่างเราซึ่งผ่านไปแล้วก็ต้องผ่านกลับมาอีกผ่านไปแล้วต้องกลับมาคือตายไปแล้วเกิดมาอีกตายแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกซ้ำๆซักๆยิ่งกว่าเราตามรอยโคในข้อหูในข้อโคเราจะทราบได้ไงว่ารอยไหนไปไหนรอยไหนไปไหนเพราะเหยียบย่ำแหลกไปหมดในข้อของหมั มนการเกิดการตายจนถ้าซากๆก็เป็นทํารองเดียวกันนั้นแม้เช่นั้นตัวเองก็ยังไม่อาจทราบได้ว่าตนเคยเกิดมากี่ภพ ก, กี่ชาติเกิดเป็นกำเนิดภกชาติอันใดบ้างก็ไม่รู้ทั้งที่ทั้งๆที่ตัวก็เป็นตัวการนี่คือเชื้อที่จะพาให้เกิดมพ ย, ยายามชำระกิตใจให้ มีความปองสัยแล้วแม้จะเกิดก็เกิดในสถานที่ดีทัติที่เหมาะสมกับภูมิจิตใจของตนที่มีกรรมเป็นเครื่องอบรมด้วยดีแล้วยิ่งละชำระให้สะอาดทั้งหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีสมมุติที่เลอะอาสวะแม่นิดหนึ่งแทรกอยู่ภายในจิตใจแล้วจิตเพื่อนั้นก็ บ, บริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์นั้นไม่ได้หมายถึงว่าความสูญความสูนกับความบริสุทธิ์ต่างกัน ความสูงคือศูนย์ชิ้นโดยประการทั้งปวงไม่มีสิ่งใดเหลือเลยความบริสุทธิ์เนี่ยถ้าไม่มีอยู่จะเอาอะไรม า, มาเรียกว่าเบริสุทธิดมีแบบความบริสุทธิ์ดไม่ได้มีแบบโลกโลกมีกันไม่ฉะนั้นพุทธเจ้าจะตรัสไว้เลยว่านิบานังปรังังวัดันติพุทธะบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายากล่าวว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะ ถ้ามันศูนย์กินจะ อ, อะไรมาเป็นสุขอย่างยิ่งอยู่นั้นล่ะนั้นศูญไปหมดแล้วจะมีอะไรมาสุกอย่างยิ่งอยู่นั้นนั้นก็มีธรรมชาติอันหนึ่งที่บริสุทธ์นั่นแหละทาให้เป็นสุขอย่างยิ่งอยู่ภายในธรรมชาติของตนเองแต่ศูย์ไปเสียจริงๆก็ไม่มีอะไรจะมาพูดว่าสุขอย่างยิ่งได้เป็นเรื่องไม่มาเกิดเหมือนอย่างเราเหมือนอย่างสัตว์ทั่วไป เกิที่ไหนก็เท่ากับจับจองป่าชาในอัตภาพนั่นแล้วในขณะที่เกิดกับปา่าช้าเขาตั้งเป็นไงเวลาเดียวกันเพรอหมดเหตุหมดปัจจัยที่เกิดสืบต่อกันไปแล้วก็เรียกว่าตายสลายลงประจุธาตุเดิมยึดผมูมิวิมพันชาก็ต้องสอดสังหาที่เกิดอีกรตามอำนาจแห่งกรรมดีชั่วของตนจึงไม่มีสิ้นสุดในเรื่องความเกิดตายของสัตว์นี้ท่านเราไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลาย เหมือนสัตว์ไต่ขอบดงเหมือนมดมันไต่ขอบดงไต่วนไปเยือนมามาถึงของเก่าแล้วก็มาลวกเป็นของเก่ า, ตาไต่ไปเรื่อย ว, วนไปไวนมาเราควรจะหาสาระคุณแต่ตัวของเราให้เป็นที่แน่ใจในขณะที่เป็นฐานะคือสิ่งที่เป็นประด่ายอยู่ควรดูเวลายังมีชีวิตอยู่นี้ทายแล้วหมดทางที่จะทำดีต่อไป พระพุทธเจ้าทัานสอนสัตว์โลกทัานสอนคนเป็นในมีชีวิตที่ทราบดีชั่วได้อยู่นี้และแก้ไขได้อยู่ทั้งทําดีทําชั่วได้อยู่่เนี้ยสอนผู้นี้แหละให้รู้วิธีแก้ไขหรือถอดถอนสิ่งที่เป็นความชั่วแล้วพยายามบําเพ็ญความดีให้มากขึ้นอุปนาสัยท่านสอนอั้นนั้นถ้าไม่สอนคนตัดแต่พระพุทธเจ้ากระตัสรู้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ ถ้าสาวกอราหัตระทั้งหลายล้วนแล้วตั้งแต่บรรลุธรรมในขณะที่มีชีวิตอยู่ทั้งนั้นสอนจนเป็นที่เข้าใจจนถึงจุดหมายปลาทางได้ด้วยข้อปฏิบัติเพราะความเข้าใจในการสั่งจากพระพุทธเจ้าแล้วประพฤติปฏิบัติตา่างไม่ใช่สอนคนตายเราก็เป็นฐานะที่เหมาะสมอย่แล้วในเวลาที่มีชีวิตอยู่นี้เมื่ออ่านอัด อ, อ่านทำที่ไหน ได้ยินครูวาอาจารย์แนะนําตังสอนก็ น, นำไ ป, ปปฏิบัติกําจัดสิ่งที่ไม่ดีจากตัวเองสร้างสาระคุณขึ้นพาย ใ, ใจิตใจให้เป็นที่มั่นคงในจิตใจและเป็นที่แน่ใจสมเด็เมื่อเป็นที่แน่ใจแล้วจะตายเวลาไหนก็เวลาใดก็ไม่เห็นสําคัญเพราะมันไม่เกี่ยวกับเวล่เวลาเราไม่เอาความสุขกับสถานที่การเวลาใดๆเอาความสุขจากสิ่งที่เราทําถูกต้องแล้วคือความดีเท่านั้นซึ่งก็มีอยู่ประจำจิต จิตก็ไม่ทิบหายไปไหนพอจะหวั่นจะกตัวไม่อยากล้มอยากตายกันคิดไม่ตายบุญกุศลก็อยู่กับจิตบาปอกุศลก็อยู่กับจิตล้วพยายามชำระจิตที่เป็นอกุศลคือความโง่ความเขานั้นออกให้เป็นความฉลาดปาาเถื่องขึ้นมาพานันเอกใจต้องรู้ช่องทางที่ไปรู้สถานที่อยู่อันเป็นที่เหมาะสมกับความฉลาดของตนหากว่าจะได้เกิดก็เกิด สถานที่เช่นนั้นถ้าสิ้นก็จริงๆไม่มีอะไรเป็นเชื้อที่แห่งบแห่งชาติแล้วก็ไม่ต้องเกิดให้มา ต, า, ตายซ้ําๆต่ำๆเพราะการเกิด้ําๆต่ำๆอีกต่อไปลมหายใจวันหนึ่งวันหนึ่งมันหมดไปได้หมดไปหมดไปร่างกายของเราซึ่งเป็นเครื่องมือทําการทํางานต่างๆนี่มันก็ค่อยหมดกําลังบางชาลงไป เรามีอะไรเป็นหลักของจิตใจพอใช้ไปเครื่องอบกุ่นถ้าเราจะอาศัยสมบัติเงินทองก็มันก็อยู่โน้นเงินก็อยู่โน้นทองก็อยู่โน้นบ้านก็อยู่โน้นสมบัติอะไรๆก็อยู่โน้นมันไม่อยู่ในจิตของเราได้อาศัยชั่วระยะการเวลาที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นพอสิ้นลมหายใจแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เป็นโมฆะไปหมดสําหรับผู้นั้นนอกจากคนอื่นที่จะใช้สอยไปตามสิ่งที่เกิดที่มีสืบต่อกันไปเราเองถ้ามี ความดีมากน้อยเราก็ได้อาศัยอยู่นั้นเพราะฉะนั้นจึงควรสร้างความดีไว้เสียตั้งแต่ต้นมืออย่าได้นอนจ่ายเฉพาะอย่างยิ่งภาวนาพุทโธพุทโธหรือกําหนดลมหายใจเข้าออกลมมีความสัมผัสที่ตรงไหนมากกว่าเพื่อนเช่นดั้งจมูกเป็นต้นแล้วให้กําหนดมีสติตั้งดูอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกสัมผัสที่ดั้งจมูกก็ให้กําหนดอยู่ที่นั้น หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้รู้อยู่ทุกระยะระยะในขณะที่ลมผ่านเข้าผ่านออกแลวจิตเมื่อได้จดจ่ออยู่ที่ตรงนั้นด้วยสติแล้วก็จะสงบตัวลงไปเย็นลงไปเย็นลงไปลมจะค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกระทั่งปรากฏว่าลมหมดในความรู้สึกเลยไม่มีแต่สิ่งที่มีก็คือความรู้ที่ละเอียดอันสกขขุมมากทีเดียวหนาพอลมละเอียดลงไปอีกละเอียด บางครั้งลมหายเงียบในความรู้สึกแต่ความรู้ไม่หายอยู่เสียตรงนั้นอยู่ด้วยความละเอียดนี่ประการหนึ่งประการที่สองระกําหนดพุโทโธก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับคําว่าพุโทพธโธวุตโธไม่ต้องประกำหนดกฎหมายว่าสูงว่าต่ําว่าทําในสฐานที่ใดให้มีความรู้อยู่กับพุโทพธโธวุตโธและวิีก็จะสงบเข้ามาในจิดนั้นทีนี้คําว่าพุโทโธกับความรู้ก็เลยตรงคืนเป็นอันเดียวกัน ในขณะที่มันกลมกลืนเป็นเดียวกันแล้วนั้นเราจะบริกรรมหรือไม่บริกรรมก็ไม่สำคัญเพราะความรู้เด่นดวงแล้วอยู่กับความรู้นั้นสี่เพราะคำว่าพุทโธก็ดีอนาปานสติกก็ดีก็เปรียบเหมือนกับเหยื่อล่อปลานั่นเองถ้ามีแต่เบ็ดปลาก็ไม่กินต้องเอาเหยื่อมาล่อเพืให้ปลากินเบ็ดถ้ามีแต่จิตเฉยเฉยก็หาที่ยึดไม่ได้ต้องอาศัย อานาปาณาติคือลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ของใจหรือต้องอาศัยคำบริกรรมมีพุโทโธเป็นต้นให้เป็นที่ยึดของใจพอจิตรวมตัวเข้าไปเป็นอันเดียวมีความทรงตัวหรือมีความเป็นตัวของตัวโดยเอกเทศแล้วก็คำบริกรรมเหล่านั้นก็หมดปัญหาไปเองเช่นลมหายใจก็หมดปัญหาไปคำว่าพุโทโธทำโมรหรือสังโกอะไรก็ตามซึ่งเป็นคำบริกรรมมากน้อยก็หมดปัญหาไปเหลือแต่ความรู้ล้วน เราจะว่าพุทโธคำว่าพุทโธกับจิตก็เป็นอันเดียวกันเสียคำว่าธรรมโอจะธรรมกับจิตก็เป็นอันเดียวกันเสียสังโฆสังสังฆกับจิตก็เป็นอันเดียวกันเสียรู้เด่นดวงก็ปล่อยเวลานั่นปล่อยหมดเพื่อแต่ความรู้ล้วนเด่นนั่นแหละคือบอ่อแห่งความสุขเราเคยประสบพบเห็นความสุขมาด้วยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอะไรมามากมายกายกรองไม่เหมือนความสุขที่ปรากฏขึ้นโดยลําทางของจิต ที่ได้อบรมจิตกับตภาวนานี้เลยความสุขนี้จึงเป็นความสุขที่ละเอียดสุขสขุมมากยิ่งกว่าความสุขใดและไม่เกี่ยนด้วยยาพิษเหมือนอย่างความสุขอื่นๆซึ่งยาพิษนั้นจะตามมาในฉากต่อไปแต่ความโชคกักนนี้ความสุขอันนี้ไม่มีฉากที่จะให้เป็นพิษทาให้จิตมีความเด่นดวงจิตเป็นเด่น กิจเป็นหนึ่งภายในตัวของหลักแต่ที่เป็นหนึ่งไม่ได้เพราะสื่อที่คร่เข้าอารมณ์ต่างๆนี่เต็มไปหมดอันนั้นก็ยึดอันนี้ก็ถืออันนั้นก็คิดอันนี้ก็ปรุงเลยไม่ทราบว่าจะเอาอะไรล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องปรุงเรื่องแต่งเรื่องยุ่งเหยิงบุ่นวายหายยึดเอาสาระไม่ได้จากความคิดนั้นๆเพื่อยึดได้ในข้อใขอดข้อหนึ่งให้เป็นหลักของใจท่านจึงสอนให้ภาวนาเช่นพุทโธพุโทพโธเป็นต้นให้อยู่ในอารมณ์อันเดียว เมื่อติตได้ยึดกับหลักนั้นเป็นเป็นกฎเป็นเจนเป็นที่แน่ใจเดื่อความมีสติแล้วจิตก็สงบตัวลงไปแล้วปรากฏเป็นความเด่นดวงขึ้นมาในขณะที่ปรากฏเด่นดวงของผู้รู้ขึ้นมาอย่างเด่นชัดภายในจิตใ จ, จนั้นจะเป็นความสุขความเบาใจความแปลกประหลาดได้อัศจรรย์ขึ้นในขณะเดียวกันนั่นแหละผู้ภาวนาจะมีความกระยิบยิ้มย่องในผลที่ตนปรากฏขึ้นและจะเกิดความขยันหมั่นเพียรขึ้นโดยไม่ต้องมีอะไรมาบังคับ พราะผลนั่นและเป็นเครื่องให้ดึงดูดจิตใจที่จะให้ประกอบความภักเพียรหนักขึ้นเป็นลําดับลําดับจนกระทั่งเห็นชัดเข้าไปโดยลําดับอีกเช่นเดียวกันเพราะจิตเป็นสิ่งที่ละเอียดซุก ข, ขุมมากทีเดียวจะเปลี่ยนสภาพจากความละเอียดเข้าสู่จากความหยาบเข้าสู่ความละเอียดเสมอไปเมื่อได้รับการอบรมอยู่โดยสม่ําเสมอจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นไปได้ ไม่มีอะไรที่จะประเสริฐในโล ก, กธาตุอันนี้และไม่มีอะไรที่จะประเสริฐในร่างกายของมนุษย์และสัตว์นอกจากจิตที่เท่านั้นถ้าทําให้ประเสริฐถ้าทําให้เลวกม็มีอะไรจะเลวยิ่งกว่าใจใจเป็นสิ่งที่อบรมได้เป็นสิ่งที่จะดัดแปลงแก้ไขทั้งได้ทั้งทางดีและชั่วขึ้นอยู่กับเราซึ่งเป็นเจ้าของของใจได้แก่สติกับปัญญานั่นแหละเป็นเจ้าของผู้คอยประคับประคองจิตใจไม่คิดเป็นแง่ต่างๆ ทำพราะจากสติเสียพอเหมือนอย่างคนบ้าคนบอที่เดินโงทางานๆอย่ตามสนนร่ทางเขามีความรู้เหมือนกันแต่ความรู้สึกดีชั่วเขาไม่มีว่าผิดถูกประการใดเขาไม่มีมีแต่ความรู้โดยไม่มีสติอยากทําอะไรก็ทําอยากนั่งที่ไหนก็นั่งแม้ที่สุดสีแยกไฟแดงเขาก็นั่งเขาเฉยกลางถนนเขาก็เดินไปทั้งๆที่รถวิ่งขอกฝ่ก็อยู่เขาก็ไม่สนใจว่าอะไรจะมา ชนมาโดนเขาหรือว่าเขาเดินผิดกฎจราจรอะไรเขาไม่สนใจเพราะไม่มีความระลึกรู้ว่าสิ่งนี้ผิดสิ่งนั้นถูกมีแต่ความรู้อันเดียวเป็นอย่างนั้นนคนที่ว่าเป็นบ้าก็คือไม่มีสติเป็นเครื่องรักษาไม่มีสติเป็นเจ้าของไม่มีปัญญาเครื่องขันกรองฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องพื้หฐานสติให้มีสติเครื่องนับทราบ ให้มีปัญญาเป็นเครื่องสอบสองมองดูว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกควรทําอย่างไรไม่ควรทําอย่างไรคิดเมื่อได้รับการอบรมู้สติปัญญาอยู่เสมอสติปัญญาเมื่อรับการฝึกตนอยู่โดยสม่ําเสมอแล้วจะมีความแก่กล้าสามารถรอบตัวเขาโดยดั่ม ด, ดับจึงสามารถรักษาจิตไว้ได้แล้วก็เลิศก็กเลิศด้วยอํานาจของสติปัญญาเนี่หลยเป็นเครื่องขัดเตาจิตถึงความเลิศ งูเราเลืออยู่ที่ใจเลวอยู่ที่ใจร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟหมือนเหมือนกันหมดเพราะร่างกายร่างกายนี้เป็นเครื่องมือจะพาธรรมดีก็ได้พาทำชั่วก็ทําสําคัญที่ใจเป็นผู้บงการว่าคิดถูกดีชั่วประการไหนจะพากายวาจาใจนี้กายพากายวาจานี้หมุนไปทางไหนขึ้นอยู่กับใจซึ่งเป็นเจ้าของที่มีสติเป็นค่อยเป็นผู้ควบคุมถ้ามีสติแล้วก็เป็นอย่างที่เราว่านะั่นแหละ เราไปที่ไหนไม่มีจุดหมายปลายทางอยู่ท e ี่ไหนไม่มีหลักมีเกณฑ์ดีแล้วเหลือคนไม่มีหล SO e ักเกณฑ์ไม่มีความหมายอยู ty, ่ก็มีความหมายตายก็ม <minutes S 2> ีความหมายเกิดที่ไหนก็มีความหมายคนหาความหมายไม่ได้ก็คือคนหาสาระแก่นสารไม่ได้เราจะทำไงจึงจะให้มีความหมายมีสาระแก่นสารพายตัวของเราก็ต้องอบรมกิตใจใจเป็นใจของเราไม่ใช่ใจของไข่ เราเป็นผู้รับผิดชอบทุกเราก็ต้องรับสุขเราก็ต้องรับเมื่อเราเป็นผู้รับผิดชอบอยู่รอบด้านท่านนี้เราจึงควรที่จะอบรมจิตใจของเราหไปในทางที่ถูกที่ดีเพื่อเป็นความสุขความเจ่เลยสมความมุ่งหมายที่เราเกิดมาต้องการสุขไม่มีใครที่ต้องการทุกขในโลกอันนี้แต่ทําไมจึงเจอกันอยู่ไม่แล้วไม่เล่าสักถึงใครที่ไหนบ่นอื้อกันหมดว่าเป็นความทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้คนจนก็บน่นคนมี คนมีก็บน่นคนโง่ก็บน่นคนฉลาดก็บน่นทำไมจึงไม่มีใครหลีกเว้นจากทุกข์ไปได้นี่ยเราไมไ่ต้องการความทุกข์ทำไมจึงเจอแต่ความทุกข์มันเป็นเพราะเหตุหลาก็เป็นเพราะเสาะแสวงหาในทางที่ไม่ถูกเราคนฉลาดมันมันฉลาดจริงในทางที่จะหาความทุกข์ให้เจ็บปแต่จะหาความถูกให้เจ็บมันไม่ฉลาดมันโง่ที่ตรงนี้แล้วทุกข์เข้ามาที่จุดที่ช่องว่างคือความโง่นี่ย มันมีช่องโหว่อย่างนี้มันก็เข้าตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนโลกนี่สอนอย่างถูกต้องแม่นยำความสุขพระองค์ได้พบแล้วด้วยการปฏิบัติจึงแนะนําเอาผลแห่งการปฏิบัตินั้นออกแสดงให้โลกทั้งหลายได้ทราบให้พ่มเพืปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นนสั่งสอนโลกลไม่ได้สั่งสอนด้วยความมีู้โหยสั่งสอนแล้วด้วยความเพียงพอของพระองค์พอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วภายในพระไถ่พระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่เป็นคนจน แม่ใช่เป็นคนหิหวโยเหมือนโรคทั่วไปการต่างสานโรคคงสั่งสอนด้วยความเมตตาปราณีทั้งนั้นแม้ที่สุดวันจะปฏิพานก็ยังต้องเนตประธาน อ, อว่านให้แก่สุภะทัปริภาชกที่มาทูลถามปัญหาให้ได้บวชด ไ, ดได้จัดสรุปได้บรรลุธรรมในคืนวันนั้นเป็นสาวกองค์สุดท้ายจนได้เนี่ยใครที่จะมีความสม่ำเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าและใครที่จะ พูดได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในโลกทั้งสามนี้ไม่มีเราจะเชื่อใครถ้าไม่เชื่อพุทธทางสันกิษฐามนี้ธรรมังสังขังสันนิษามนี้เราจะเชื่อใค ร, เ, นน เ, ร, เ, ใครเราเชื่อเราเราก็เชื่อไม่ได้มันหลอกตัวอยู่ตลอดเวลาวันนี้ว่าจะทํานี้มันทะเลสาบไปแล้วไปทํานั้นเสียวันนั้นจะทํานั้นทะเลสาบไปทํานี้เสียอันเอา้าว่าจะไปไม่ไปว่าจะอยู่ไม่อยู่มันตลบตะแรงยิ่งกว่าอะไรในตัวของเราเองแล้วจะเชื่อมันได้ยังไง จึงต้องหาหลักหาเกณฑ์มาเป็นที่ยึดเช่นพุทธังคำมังสัทงทางสนังกระฉามีเป็นที่ยึดของใจทําให้แม่นแม่นยามัน่นคงเราจะได้หลักดีไม่ใช้ประโยชน์สำหรับเราเองตายแล้วมันไม่ศูนนี่นะตายแล้วมันแล้วมันดีี่มันไม่แล้วอยู่ในโลกนี้มันก็เป็นทุกข์เพราะใจดวงนี้แล้วไปโลกหน้ามันจะอาสุขเพราะใจดวงนี้มาจากไหนถ้าไม่ได้สร้าง ความดีไว้สํำนับตัวให้เป็นความสุขแล้วอยู่โลกไหนมันก็คือกองทุกนั่นแหละถ้าจิตได้สร้างความดีไว้สําหนับตนเองแล้วอยู่โลกไหนมันก็เย็นมีชีวิตอยู่นี้ก็สบายตายไปแล้วก็เป็นสุขเพราะจิตพาให้เป็นสุขจิตไม่ได้ตายเนี่ยนั้นความดีจึงเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่มนุษย์เราผู้ที่รู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกควรจะสั่งสมอบรมให้มีขึ้นภายในจิตใจศาสนาก็สอนมนุษย์เป็นรากฐานสําคัญเป็นใหญ่โตเป็นใหญ่เป็นโตยิ่งกว่าสัตว์ ปะเภทอื่นๆที่ย่อสอนเราบูชาศาสนาไม่ใช่สมบัติของใครแต่เป็นของทุกคนผู้มีความสนใจและปฏิบัติตามความถูกก็ไม่ใช่ของใครทั้งนั้นโดยเฉพาะแต่เป็นความถูกของทุกคนที่กระทําได้ด้วยกําลังของตนเองในทางที่ถูกต้องดีงามก็ เ, เป็นความสุขขึ้นมาเราไม่ต้องการเป็นความหมดหวังเราต้องการเป็นคนมีหวังเราไม่ต้องการเป็นความหมดสาระอย่างสาน เราไม่ต้องการความหมดความหมายเราต้องสร้างความหมายขึ้นในตัวของเราด้วยความดีเราต้องสร้างความดีขึ้นภายใน จ, จิตใจของเราเพื่อเป็นสุขเราอยู่ไหนเราก็มีความหมายอยู่นี่ก็มีความหมายตายไปก็มีความหมายอยู่นี้ก็มีสาระตายไปก็มีสาระคุณประจําตนมีเป็นหลักสาคัญที่มนุษย์เราผู้วัดตนเป็นผู้ฉลาดแต่พึงสร้างให้มีภายในจิตใจของตนอย่าได้ประมาทความตายมันตายได้ทุกเวลามีเวลาอยู่ที่ไหนมันตายได้ทั้งนั้นเมื่อหมดกําลังที่จะสืบต่อกันแล้วในในระหว่างงานท้าทันเหล่านี้ กับปัจจัยทั้งหลายที่สืบต่อกันมาเมื่อหมดกําลังแล้วมันตายได้ทั้งนั้นไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือฆราวาสหมดลมหายใจแล้วมันตายทั้งนั้นแหละเราจะกําหนดว่าปีนั้นปีนี้เราจะตายปีนั้นเราจะยังมีชีวิตอยู่ให้ถามลมหายใจลมหายใจหมดเมื่อไรมันเป็นตายเมื่อนั้นแหละเวลานี้ลมหายใจก็มีอยู่เราก็สร้างอยู่อะไรที่เราจควรจะสร้างให้เป็นสิริมงคลหรือเป็นคุณงามความดีแก่คนให้รีบสร้างเสียตั้งแต่วันนี้อย่าได้นอนใจอย่าประมาทอย่าหลอกตนเองไปนาน เดี๋ยวตายไปไมีอะไรติดตัวเขาค่ายกุศลาธรรมากุศลาธรรมาว่างันไปอย่างนั้นแหละไม่ได้ว่างตรไหนให้มันกุศลาธรรมาภายในตัวเสียตั้งแต่บัดนี้กุศลาแปลว่ากุศลความฉล า, าดคนมีความฉล า, าดย่อมหาความสุขเจอให้สร้างความฉล า, าดไว้ในตัวนี้เสียตั้งแต่บัดนี้ย้ายคนอื่นมากุศลาธรรมากุศลาธรรมาให้ยุ่งไปเลยสร้างเสียตั้งแต่บัดนี้มันจะเป็นที่แน่วแน่ตัวเองตายแล้วใครจะมากุศลาให้กุศลาให้ไม่สําคัญ เมื่อเราได้สร้างกุศลารือความเฉลียวฉลาดรอบตัวของเราแล้วเราต้องมีบุญมีกุศลเพราะเราสร้างด้วยความฉลาดตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าอยู่ไหนก็เป็นมงคลกุศลาไม่กุศลาไม่สําคัญเราเป็นกุศลายือภายในตัวบุญนี้อยู่กับตัวของเราแล้วนีเอาเท่านั้นน่ะการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรทิ้งโคขอขอภัยจากท่านทั้งหลายด้วยเทศเป็นธรรมะป่าบ่งเบ่งบงเบ ง, บ ง, บง <laughs>